ฝึกจนเห็นกิเลสบ่อยๆก็แล้วเนี่ยมันจะมีบางทีบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยชั้นชักมีมีภูมิบ้างแล้วชั้นชักมีทักษะชั้นชักเป็นนักปฏิบัติเริ่มมีมีผลบ้างแล้วหนึ่งนะเริ่มไปเทียบกับคนอื่นการเทียบคนอื่นเป็นมารณ์ทันทีไม่จะเทียบว่าเราเก่งกว่าเขาอย่างเดียวนะเทียบว่าเขาเก่งกว่าเราก็เป็นมานะ์เทียบว่าเฮ้ยพอๆกันก็เป็นมานะ์ มานะีนมีตั้ง9้าแบบเราดีกว่าเขาสาคัญว่าเราดีกว่าเขาเป็นมานะเราดีกว่าเขาสาคัญว่าเราเสมอกับเขาเป็นมานะเราดีกว่าเขาสำคัญว่าเราแย่กว่าเขาเป็นมานะเราเสมอเขาสำคัญว่าดีกว่าเขาเป็นมานะเราเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาเป็นมานะเราเสมอเขาสาคัญว่าแย่กว่าเขาเป็นมานะ เราแย่กว่าเขาสำคัญว่าดีกว่าเขาเป็นมานะเราแย่กว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาเป็นมานะเราแย่กว่าเขาสำคัญว่าแย่ว่าแย่กว่าเขาเป็นมานะเข้าใจไหมคือมีการเปรียบเทียบเมื่อไหร่เป็นมานะแต่ถ้ารู้กิเลสมันไม่ไม่เปรียบเทียบรู้กิเลสที่เกิดขึ้นนันไม่ได้เปรียบก็ไม่ได้เปรียบเทียบใครเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจไม่คิดเปรียบเทียบแค่เห็นกิเลสอย่างนี้เรียกว่ามีสติ แต่ถ้าเห็นแล้วเริ่ม เ, เรากับเขาเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันแค่นี้ก็เป็นมานณ์เลยเข้าใจไหมไม่ต้องไปเปรียบกับใครดูในใจตัวเองว่ามีกิเลส อ, อะไรเกิดขึ้นแค่นี้เองประโยช ข, ของหลวงพ่อปรโมทเนี่ยเข้าใจไหมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็อย่าไปสร้างมัน รู้ว่ามันไม่ตั้งมั่นในความตั้งมั่นพอดี asti. ความเป็นกลางก็อย่าไปประคองอย่าไปทําให้มันเป็นกลางถ้าทําเมื่อไหร่เป็นความเป็นกลางปลอมๆรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้ไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางแสดงออกอยังไงคือพอใจไม่พอใจนี่คือไม่เป็นกลางรู้ทันความพอใจไม่พอใจเป็นกลางพอดี لكن.